กำลังปรากฏหมายถึงอะไร 8.1 การมีสติระลึกรู้สภาวธรรมทั้งหลายนั้นมีหลักสำคัญว่าต้องรู้สภาวธรรมคือรูปนามที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่ตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วหรือคิดล้ำไปถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทางนี้พระพุทธศาสนา เน้นการทำประโยชน์ในปัจจุบันเป็นสำคัญดังที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ในพัทเทกรัตสูตรพระไตรปิฎกฉบับที่14ข้อหความว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันอยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุกโปร่ปรงเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้น ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมูนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ 8.2 คําคำว่ารูปนามที่กำลังปรากฏในปัจจุบันมีความหมายดังนี้คือ แปดรูปนั้นต้องเป็นรูปที่กําลังปรากฏในปัจจุบันจริงๆเช่นรู้รูปที่กําลังยืนหยุดนิ่งหรือรู้รูปที่กําลังเคลื่อนไหวเป็นต้น 8.2.2 นามนั้นต้องตามรู้อย่างกระชันชิดถึงนามที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนๆอนเป็นปัจจุบันสันตติ คือต่อเนื่องกับปัจจุบันไม่ใช่นามที่กำลังปรากฏในปัจจุบันจริงๆทั้งนี้เพราะธรรมดาของจิตย่อมรู้อารมณ์ได้เพียงครั้งละอย่างเดียวในขณะที่จิตรู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งจึงไม่สามารถจะรู้ตัวจิตเองได้เช่นขณะที่รู้รูปนั่งอยู่นั้นจิตเกิดหลงไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งในขณะนั้นจิตจะลืมรูปนั่ง เกิดเป็นโมหะมูลจิตชนิดฟุ้งซ่านอาจจะหลงคิดอยู่หนาทีแล้วจึงเกิดความระลึกได้คือสติว่าหลงไปแล้วในขณะที่ะระลึกได้ว่าเมื่อกี้หลงไปแล้วในขณะนั้นความหลงจะดับไปแล้วเป็นต้นหรือโกรธเพื่อนมาหนาทีแล้วจึงเกิดระลึกได้ว่ากำลังโกรธอยู่ความโกรธจะดับลงในทันทีที่รู้ อย่างนี้ก็ใช้ได้ไม่จะโกรธเพื่อนเมื่อวานนี้แล้วมาวันนี้พึ่งนึกได้ว่าโกรธจากนั้นก็นั่งเสียใจว่าไม่น่าโกรธเพื่อนเลยอาการเช่นนี้ล้วนแต่ไม่เป็นปัจจุบันคือขณะที่โกรธเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้ขณะนี้กำลังเสียใจที่โกรธเพื่อนก็ไม่รู้อีกเพราะมัวแต่คิดถึงเรื่องเมื่อวานหรือพอนึกได้ว่าโกรธเพื่อนไปเมื่อวานก็คิดว่า จะต้องไปง้อเพื่อนสักหน่อยจากนั้นก็กังวลว่าเราไปง้อแล้วเขาจะคืนดีไหมหนอนี่ก็เป็นความกังวลในปัจจุบันที่เราไม่รู้ทันเพราะมัวไปคิดถึงอนาคตเสียแล้ว 8.3 ธรรมดาของจิตย่อมรู้อารมณ์ได้ทีละยอย่างเท่านั้นและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือ การระลึกรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏในปัจจุบันสำหรับรูปหรือในปัจจุบันสันติสำหรับนามอย่าพยายามหน่วงอารมณ์ที่เป็นอดีตไว้ดูนา น, านๆเพราะกลัวว่าจะไม่เห็นไลายหลักตัวอย่างเช่นเมื่อตาเห็นสีกลุ่มหนึ่งก็ให้รู้สีนั้นตามที่มันเป็นจริงเพราะสีนั้นเป็นปัจจุบันอารมณ์ที่เรียกว่ารูปารมณ์ ต่อมาสัญญาเกิดจำรูปได้ว่านั่นเป็นรูปคนรักของเราจิตเกิดความชอบใจอันเป็นราคะขึ้นความชอบใจนั้นเป็นอารมณ์ใหม่ที่รู้ได้ใจคือธรรมารมหน้าที่ของผู้ปฏิบัติคือรู้เข้าไปที่สภาวะของความชอบใจที่กําลังปรากฏนั้นไม่จะย้อนกลับไปคิดพิจารณารูปคนรักว่าเป็นปฏิกรูอย่างนั้นอย่างนี้ เพื่อละราคะเพราะรูปคนรักกลายเป็นอดีตไปแล้วส่วนราคะเป็นอารมณ์ปัจจุบันที่กำลังแสดงความตั้งอยู่และดับไปให้เรารู้ได้เป็นต้น 8.4 เมื่อกล่าวว่าให้เรารู้อารมณ์ปัจจุบันบางคนอาจเกิดความสับสนว่าถ้าเช่นนั้น ชาวพุทธคงไม่สามารถวางแผนงานในอนาคตได้การคิดเช่นนี้ไม่ถูกต้องในยามใดเรามีหน้าที่ต้องวางแผนงานก็ต้องวางแผนงานแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงพิจารณาล่วงหน้าทุกเช้าว่าวันนี้ท่านควรแสดงธรรมโปรดใครด้วยเรื่องอะไรโปรดแล้วจะเกิดผลอย่างไรนับว่าท่านเป็นนักวางแผนชั้นเลิศคือหนึ่ง ทรงกำหนดบุคคลเป้าหมาย 2. องกำหนดวิธีการ 3. ามกำหนดเนื้อหาธรรมที่จะสื่อสารกับผู้นั้นและ 4. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่บุคคลนั้นจะได้รับด้วยผู้ปฏิบัติต้องรู้จักเลือกใช้ธรรมที่ถูกกาละเทศะยามใดมีหน้าที่วางแผนก็ต้องวางแผนมีหน้าที่เรียนก็ต้องเรียนมีหน้าที่ทํางานก็ต้องทํางาน จุดใดควรเจริญสติก็เจริญสติจุดใดต้องใช้สมาธิในการทำงานก็ใช้สมาธิจุดใดควรใช้ความคิดพิจารณาไตรตรองก็ต้องใช้ความคิดไม่ใช่เจริญสติรวดเดียวโดยไม่รู้จักทำความสงบใจหรือใช้ความคิดพิจารณาตามหน้าที่ของตน 8.5 มีข้อควรสังเกตประการหนึ่งก็คือคําว่าปัจจุบันนั้นไม่ได้หมายถึงวันนี้ชั่วโมงนี้นาทีนี้หรือแม้กระทั่งวินาทีนี้แต่หมายถึงการระลึกรู้รูปที่กําลังปรากฏต่อหน้าต่อตาในขณะจิตนี้หรือการรู้นามที่พึ่งดับไปสดๆดร้อนๆซึ่งการรู้นั้นเป็นเวลาที่สั้นที่สุด จนทำอะไรมากเกินกว่ารู้ไม่ได้